เมืเช้าเห็นพวกเร า, าเดินจงกรมอยู่ข้างๆเนีงงคนนังหนุ่นมๆนะเดินทีแรกก็ดูดีๆนะสักพักหนึ่งใจลอยใจมันหนีไปการปฏิบัติธรรมน่มันไม่ใช่แค่เดินจงกรมหรือแค่นั่งสมาธิสุดสำคัญคือความมีสติ ถ้าเดินทุกก้าวที่เดินมีสตินั่นแหละสุดยอดของการปฏิบัตินั่งอยู่หายใจออกหายใจเข้าด้วยความมีสติเนี้ยั่นแหละสุดยอดส่วนนั่งนานเดินนานอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่การปฏิบัติธรรมก็ได้อย่างถ้าเราเดินหรือเรานั่งแล้วใจลอยใจหนีไปที่อื่นอะไรเงี้ยไม่นั่งดีกว่า นั่งแล้วหลงหลงเพลินเลินไปเรื่อยๆเคยตัวนั่งทีไรใจก็หนีไปดูเทวดาอะไรเงี้ยยิ่งนั่งไปนานๆยิ่งเคยตัวเคยชินอย่าไปทำดีกว่าเป็นคนปกตินะี่ะดีกว่าภาวนาผิดๆเดินจงกรมเดินเคร่งเครียดอะไส่วนก็มีสองทางนะพวกหนึ่งหลงไปพวกหนึ่งเคร่งเครียดไป ไม่ได้มีสติในการเดินก็ใช้ไม่ได้จะเดินกี่ชั่วโมงมันก็คืออัตตกิลมถานโยกเดินด้วยความเครยงเครียดอยากดีนั้นก็เลยเครียดเลยเดินแล้วก็คิดโ น, น้นคิดนี้เพลิดเพลินในอารมณ์ที่พอใจคิดโ น, น้นคิดนี้สบายสบายไป่ก็เป็นกามสุขาริการโยกเลยเดินแล้วก็ดู ชมนกชมไม้เริ่มนเพลินออกข้างนอกนอยงั้นเดินทั้งคื น, นมันก็คือการสุขาริการโุโยกยงั้นการที่เราจะเข้าสู่ทางสายกลางได้ต้องมีสติมีสมาธิสติคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจเรามีสมาธิคือจิตใจอยู่กับเนืกับตัวไม่ล่องลอย ลืมเนื้อลืมตัวไม่เพ่งกายเพ่งใจเพ่งอารมณ์กรรมฐานจนเคร่งเครียดถ้าเราเดินอยู่ในทางสายกลางได้เนี่ยมรรคผลนิพพานเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะเข้าถึงได้ในชีวิตนี้แต่ถ้าเราไม่ได้เดินอยู่ในทางสายกลางเนยอีกกี่ปี ก, กี่ชาติก็อย่างงั้นงัน ครานหนึ่งหลวงพ่อเคยไปที่สำนักแห่งหนึ่งไปเจอลูกศิษย์หลวงพ่ออยู่คนหนึ่งไปเดินจงกรมอยู่เราเห็นแล้วก็จะบอกดีไม่ดีนะเนี่ยสุดท้ายทนไม่ไหวต้องบอกบอกว่าด็อกเตอร์เมื่อหลายปีก่อนภาวนาจิตก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็จิตก็อย่างนี้อีกหลายหลายปีจิตก็ยังเป็นอย่างนี้อีกแหละ เพราะอะไรจริงๆอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดต่อแล้วแต่พูดให้พวกเราฟังบอกเข้าแค่นั้นแหละแล้วแต่เวีนแต่กรรมแล้วก็เพราจิตไม่ได้อยู่ในทางสายกลางเดินแล้วก็กำหนดให้ว่างๆทําใจว่างๆอยู่อันนั้นติดอยู่ในความสุขความเพลิดเพลินความสงบก็ติดกรรมที่ละเอียดนั่นเอง หรือถ้าเดินเราเครียดเครียดนะก็บังคับตัวเองในขี้เกียจเดินหรฝืนใจเดินไปเรื่อยๆนั้นเป็นอัตตากตริมหาฐานิโยกทาตัวเองให้ลําบากโดยไม่เกิดประโยชน์เลยเลยเวลาพวกเราปฏิบัติก็สังเกตเอาเราหลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านนี้หรือเปล่าสังเกตเอาไม่ต้องให้ใครม า, มานั่งบอกหรอก ฟังคนนั้นบอกคนนี้บอกนะจิตเป็นอย่างงน้นจิตเป็นอย่างเงี้ยส่วนมากก็เล็วไหลเหมือนตาบอดจูงคนตาบอดด้วยกันไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันสังเกตตัวเองไม่ต้องไปฟังคนอื่นมากจิตใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้สึกไปใจมันนั่งทำกรรมฐาน นั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็เดินจงกรมอะไรก็ตามแบใจเราเพลินหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ลืมอารมณ์กรรมฐ า, านของเราเลยก็ให้รู้ว่าตอนนี้ย่อหย่อนเกินไปแล้วเป็นการสุคติการโ ย, โยกย่อหย่อนเกินไปถ้าเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมเราเครียดหายใจเฮือกเพือเฮอกนะ เครียหรือเดินก็เกรงไปหมดเลยร่างกายก็เกรงจิตใจก็เกงเรงอันนั้นเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานโยกสังเกตสิ่งที่ผิดเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกแค่แค่นี้เอเหตุผลง่ายๆแค่เนี้ยเมื่อไหรไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกนี่ถ้าเรา ดำเนินจิตไม่ถูกภาวนานะเราย่อหย่อนนั้นแล้วก็นั่งภูมิใจว่านั่งสมาธิได้เท่านี้ชั่วโมงเดินได้เท่านี้ชั่วโมงหรือเคร่งเครียดนะแล้วก็ภูมิใจว่านั่งได้เท่านี้เดินได้เท่านี้ยังไม่เข้าใจการปฏิบัติเลยนะนะั่นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัตินะเราไปดูได้จากธรรมะ ธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้านั่นสอนหลักของการปฏิบัติไ้หมดเลยเริ่มต้นท่านบอกว่ามีสิ่งอยู่สองสิ่งที่บัญพชิตไม่ควรซ่องเสพในภาษาโบราณนะในพวกเราเไม่ใช่บัญพชิตเราเป็นคราวาสเราเป็นนักปฏิบัติมันก็มีสองสิ่งนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละ ที่เราไม่ควรท่องเซ็บคือไม่ควรทําอันหนึ่งคือการสุขาริการุโยกการปล่อยใจปล่อยกายตามจิเลตไปเรื่อยๆวันๆก็เฮฮ า, าปาร์ตี้ไปเรื่อยนะเที่ยวเล่นเที่ยวคุยไม่ได้เรื่องนะอันที่สองเรียกว่าอัตตากิริมาานุโยกไม่ให้ทำสองอันนี้สิ่งที่ให้ทำนั่นก็คืออริยมรรคมีอง์แป อยู่ในทางสายกลางที่ไม่สุดตรงไปสองฝั่งนั้นถ้าเราก็รู้ทันนะใช้วิธีคอยรู้ทันนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ใจลอยอย่างี้รู้ทันนะว่าใจลอยทันทีที่รู้ทันว่าใจลอยนะใจมันจะหายลอยแต่ น, นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่แล้วแหมมันเครียด ตึงไปหมดเลยนะร่างกายก็ตึงจิตใจก็ตึงสังเกตลงไปถ้าไปดูที่ตึงยังไม่หายหรอกการเพ่งไว้ไม่ใช่กรรมชั่วเป็นกราดีการบังคับควบคุมตัวเองเป็นกรรมดีแต่การปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามกิเลสอันนั้นเป็นกรรมชั่วกรรมชั่วเนี่ยใจเราล่องลอยไปเนี่ยเรามีสติรู้ปุ๊บเนี่ยกิเลสดับทันทีจิตถูกทันทีเลย แต่การเพ่งเนี่ยเรารู้ว่าเพง่งมันยังไม่หายเพ่งหรอกเพราะเราเพ่งไปเรื่อยๆนะเราก็จะไปเป็นพระพรหมได้ไม่ใช่ชั่วแต่ไม่ไปนิพพานเท่านั้นแหละไม่เหมือนความลืมเนื้อลืมตัวนะตามใจกิเลสอันนั้นเป็นความชั่วไปยาบายแต่การบังคับการเพ่งเนี่ยเป็นการทำความดี แต่ดีในระดับหนึ่งเท่านั้นคือไปพรหมโลกได้เป็นเป็นพรหมได้นะเพ่งเก่งๆแต่ไม่ไปนิพพานนะเหมือนอย่างอาราดาบทหรือทัดาบทเนะี่ยเพ่งเก่งนะไปเป็นพรหมนะเป็นพรหมชั้นสูงงั้นเวลาเราหลงเนี่ยแล้วเรารู้ว่าหลงเนยความหลงมันเป็นกิเลส ท, ทันทีเรารู้ว่าหลงเนะี่ยกิเลสจะดับจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเลยงั้นตรงที่ทําผิดด้วยกันหลงเนะี่ยเรารู้ว่าจิตมันหลงไปจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ตอนที่เพ่งอยู่เนี่ยรู้ว่าเพ่งนะยังไม่หายเพ่งหรอกเพราะการเพ่งมันไม่ใช่ทําชั่วอะไรถ้าเรา อยากให้เลิกเพ่งเราสังเกตสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเพ่งอีกทีนึงสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเพ่งก็คือตัวตัณหาตัวความอยากตัวโลภะนี่พวกเราอาจจะงงเอตัณหาทําให้เพ่งแล้วทำไมเพ่งไม่เป็นอกุศลกิเลสเนี่ยอกุศลเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้อกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้ อกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลอย่างเราหลงอยู่อย่างนี้เรามีสติรู้ปั๊บเนี่ยอกุศลดับกุศลเกิดเลยนะหรืออย่างเราเพ่งอยู่เนี่ยนะเราดูลงไปการเพ่งค่อยควบคุมกายควบคุมใจไม่ใช่ความชั่วแต่เป็นความดีของคนที่ไม่ฉลาดเท่านั้นแหละนี่เราดูลงไปเบื้องหลังการเพ่งนีคือความอยากดี อย่างเราพอวนาเราอยากมีสติตลอดเวลาเรามีความอยากเกิดขึ้นอยากจะไม่เผลอเลยอยากจะรู้ตัวตลอดเวลามันจะเพ่งถ้าเรารู้ทันใจที่อยากนะการเพ่งจะหายไปเพราะเหตุของการเพ่งถูกทำลายนะเหตุของมันก็คือตัวตัณหาตัวอยากตัณหาเป็นตัวสร้างภพการเพ่งก็เป็นภพภพหนึ่งนะเป็นภพของนักปฏิบัติ ส่วนความหลงนะเป็นภพอของผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันก็คือภพภพหลงของผู้ไม่ปฏิบัตินะสิ่งที่จะตามมาคืออบายการเพ่งนะี่เป็นภพอของผู้ปฏิบัติเป็นภพที่ดีมีผลก็ดีไปสุคติขึ้นไปพร ม, มโลกแต่ถ้าเราอยากพ้นจากภพ ดูลงไปให้ถึงเหตุที่เราไปนั่งเพ่งอยู่มันอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีเต็มไปด้วยคำว่าอยากเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราอยากปฏิบัติสังเกตไหมพราะเราอยากปฏิบัติเราจะเพ่งสมมติหลวงพ่อสั่งพวกเราลงมือปฏิบัติบังคับร่างกายก่อนให้ดูดีดูเรียบร้อย เบังคับได้แล้วก็บังคับใจนะให้นิ่งๆเงีย้ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาได้อย่างมากก็ได้แค่เป็นพระพรมนะไม่ได้สูงกว่านั้นเพาะนั้นเวลาเราเพ่งเนี่ยเราจงใจปฏิบัติหรือปฏิบัติเราเครียดเนี่ยดูลงไปเบื้องหลังเบื้องหลังก็คือตัวอยาก อยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีจะไปเพ่งอยากรู้ตลอดเวลาอะไรอยงเงี้ยจะเพ่งพอรู้ทันต้นต่อความอยากดับความอยากเป็นกิเลสเนี่ยเมื่อไหร่มีสติรู้ทันกิเลสกิเลสจะดับกิเลสดับแล้วภพที่เกิดจากตัวกิเลสตัวเนี้ยมันจะพลอยดับไปด้วยเพราะเหตุของมันดับ การเพ่งจะหายไปแต่ใจอืดอาดอยู่อีกช่วงหนึ่งนะอย่างเผลอเนี่ยทันทีที่รู้ว่าเผลอเนี่ยหายทันทีแต่เพ่งเนี่ยใจยังอืดอาดอยู่นะเรารู้ว่าเพง่งเลิกเพ่งไปแล้วใจก็ยังแน่นอยู่อีกพักหนึ่งอันนี้เป็นมิบาต้องใช้นี้ถ้าเลือกไปเพ่งเอาเองก็ต้องรับกรรมที่เกิดขึ้นรับผลของกรรม อึดอัดอยู่อีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็หายแต่ถ้าเราเติมเชื้อเติมเหตุไปเรนะื่อยอยากไปทุกวันทุกวันก็เพ่งไปทุกวันทุกวันมันก็ไม่หายหรอกดังนั้นตัวทางสายกลางเนี้สําคัญมากเลยนะสําหรับการปฏิบัติเมื่อก่อนตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนเพื่อนๆนตอนนั้นเป็นเพื่อนกันนะยังไม่ได้บวชหลวงพ่อ สิ่ที่สอนก็คืยอย่าเผลออย่าเพ่งไม่เผลอไม่เพ่งเผลอก็คือกามสุการิการุโยกเพ่งคืออัตตากริมัฏฐานุโยกตอนนั้นบางคนหัวร้อเลยนะหลวงพ่อสอนอะไรบ้า้าบอสอนไม่เผลอไม่เพ่งหลวงพ่อสอนเหมือนพระพุทธเจ้าสอนเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้จักว่าสิ่งที่ไม่ควรทำสองอย่างเผลอก็คือกามสุการิการุโยกเพ่งก็คืออัตตากริมัฏฐานุโยค ถ้าเราไม่เปลอไม่เพ่งเรารู้ตัวอยู่มีสติมีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจปัญญามันจะเกิดถ้าไม่มีองค์ธรรมสองตัวนี้ไม่มีสติไม่มีสมาธิหรือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวหรือมีแต่มีนิดหน่อยนานๆมีทีอันนี้เรียกว่าขาดวิริยะ งันวงธรรมสามตัวนะ่ยวิรยิยะสติสมาธิที่เป็นสัมมาสัมมาวายามะคือวิริยะที่ถูกต้องสัมมาสติสติที่ถูกต้องไม่ใช่สติเพียงจ้องเคลื่องเคลื่อนสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องสภาวะที่จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ เราไม่ได้บังคับในจิตมันหลงเรารู้ว่าหลงเนะยแล้วสมาธิมันเกิดเนะี่ยไม่ได้จงใจให้เกิดแล้วก็ไม่ได้รักษามันไว้แต่เราฝึกบ่อยๆนจะนมันต่อเนื่องขึ้นมามันต่อเนื่องถี่ยิบขึ้นมาใช้คําว่าต่อเนื่องก็ไม่ค่อยตรงทีเดียวนะแต่ว่าที่จริงคือมันเกิดถียิบใจที่ตั้งมั่นอย่างถี่ยิบขึ้นมันมันจะรู้รสึกเหมือนตั้งอยู่ได้ทั้งวันเลยหลวงพ่อฝึกมาอย่างนี้นะ ตั้งแต่เป็นโยมสติของหลวงพ่อว่องไวอะไรเกิดขึ้นในกายในใจหลวงพ่อรู้สมาธิของหลวงพ่อมีอยู่จิตเนี้ยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่อนะันไม่ต้องรักษาทำไมไม่ต้องรักษาเพราะสติมันเร็วจิตมันเคลื่อนผู้เห็นปั๊บเคลื่อนผู้เห็นปั๊บสมาธิที่แท้จริงันเกิดขึ้น ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างหลวงปู่สิมนะท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ไม่เคยรายงานว่าชื่ออะไรเป็นใครจากไหนนี่ไม่เคยพูดเลยนะเสียเวลาไปก็พูดธรรมะ ก, กับท่านเท่านั้นแนหะละหลวงปู่สิมไม่รู้จักหลวงพ่อชื่ออะไรท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้เลยเป็นฉายาหลวงพ่อนะที่หลวงปู่ศิมท่านเรียกเจอนาท่านเรียกผู้รู้ผู้รู้ ส่วนหลวงพ่อพุธท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติเวลาเจอท่านก็ทักง่ายนักปฏิบัติคราวนี้มีอะไรบ้างหมายถึงมีกรรมฐานอะไรมาเล่ากันถ้าไมเป็นนักปฏิบัติทำไมเป็นผู้รู้สติกับสมาธิมันเข้มแข็งสติกับสมาธิเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะมีความเพีย ขยันภาวนานะไม่ใช่ขยันนั่งสมาธิเดินจงกรมนะขยันมีสติขยันฝึกจิตให้ตั้งมั่นอย่างการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยเวลาจิตหลวงพ่อไปคลุกอยู่กับอารมณ์จมอยู่กับอารมณ์ถ้าสติะระลึกรู้แล้วเนี่ยหลวงพ่อจับเวลาเลยในสามวินาทีหรืออย่างช้าห้าวินาทีเนี่ยจิตจะต้องหลุดออกจากอารมณ์ให้ได้นะ จนกระทั่งมันเร็วนะพราะมันระลึกได้ว่าจิตเคลื่อนไปอยู่อารมณนะ์ะมันดีดพางขึ้นมาเองเลยนะอันนี้มาจากความเพียร น, นั่นเองเพียรอะไรไม่ใช่เพียรส่งเด่นไม่ใช่เพียรเดินเพียร น, นั่งนะสัมมาวายมะไม่ได้แปลว่านั่งนานเดินนานสัมมาวายมะคือมีความเพียรนะทําลายกิเลสที่มีอยู่เพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิด เพียรทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทํากุศลที่เกิดแล้วให้เจริญมีแต่เรื่องกุศลกับอกุศลทั้งนั้นเลความเพียร น, นะเหราะน้นเดินจงกรมนะโตรุ่งเลยด้วยใจอยากมรรู้มรรคผลไม่ได้ทําให้กิเลสสะเทือนเลยนะั่นทําไปพรามอำนาจของกิเลสนะเพราะฉะนั้นความเพียรต้องเป็นความเพียรชอบนะขยันภาวนาก็ต้องมีแบบความเพียรชอบไม่ใช่ขยันแบบ เป็นมิจฉาวายามะเพียนไปตามกิเลสใช้ไม่ได้หรอกอย่างนั่งก็บังคับตัวเองนะเครียดตลอดเวลาเนี่ยนะนี่ไม่ใช่ความเพียรชอบไม่ได้ลดละกิเลสแต่เพียรเพื่อสนองกิเลสพอนั่งได้นานเดินได้นานก็กูเก่งแทนที่กิเลสจะลดนะกลายเป็นกูเก่งขึ้นมาแนละ้ว งองคธรรมสามตัวนีนะ้เป็นฝ่ายของการฝึกจิตในมรรคมีองค์แปดแยกเป็นสามส่วนส่วนของปัญญาขั้นต้นนะก็คือตัวสมาธิติสมาสังกปะมีความเห็นถูกมีความคิดถูกนะความคิดความเห็นต้องถูกเนะนี่ยคือส่วนของปัญญาตั้งต้นนะส่วนของศีลมีคำพูดที่ถูกมีการกระทำที่ถูกมีการเลี้ยงชีวิตที่ถูก นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสาัมมาชีวะส่วนของการฝึกจิตมีสามัญสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ถ้าเราฝึกจิตห้จิตตั้งมั่นนะโดยที่ไม่ต้องเจตนาสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสติรู้โดยไม่ต้องเจตนาไม่จงใจจะรู้แต่รู้เอง จิตเขาตั้งมั่นเป็นคนดูด้วยตัวของตัวเองไม่ได้จงใจสร้างขึ้นมาไม่ได้รักษาไว้เนี่ยมันต้องอัตโนมัติอย่างนี้นะมีความเพียรอัตโนมัติกิเลสเกิดจะต้องรู้อัตโนมัติเลยะกุศนเกิดเก็รู้อัตโนมัติเลยเนี๋ยพยายามฝึกทำไงมันถึงอัตโนมัติก็รู้บ่อยๆเดี๋ยวมัน่าอัตโนมัตินานๆรู้ทีมันก็ไม่อัตโนมัติหรอกพยายามรู้เรื่อยๆกิเลสอะไรเกิดเก็ค่อยรู้ไป การที่เรารู้กิเลสเนี่ย น, นะนอกจากสัมมาวายามะเกิดแล้วสัมมาสติยังเกิดแล้วตรงที่เรารู้ว่ามีกิเลสนะสติะระลึกปุ๊บสัมมาสมาธิก็เกิดมนะัเกิดในวับเดียวรวมกันเข้ามาเลยมีทั้งสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอาศัยสตินี่แหละรู้เท่าทันกิเลสของเร า, ท, าทันทีที่รู้ทันกิเลสเนี่ยเรียกว่าเรามีความเพียรชอบแล้ว อย่างใจบางคนนะขี้โลภใจบางคนขี้โกรธใจบางคนฟุ้งซ่านใจบางคนหดหูใจะเป็นไงรู้อย่างนั้นเรื่อยๆไปต่อไปพอมันฟุ้งซ่านปุ๊บมันรู้เองเลยความฟุ้งซ่านดับอกุศลที่มีอยู่ดับไปแล้วแล้วเรามีสติอยู่องเงี้ยอกุศลใหม่จะไม่เกิดแล้วตรงที่เรามีสติรู้ว่าอากุศลเกิดตัวนั้นแหละตัวสติที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นตัวกุศล แลพอสติเกิดบ่อยๆนะกุศลก็มีกําลังแก่กล้าขึ้นสุดท้ายมีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญามีทั้งความเพียรชอบเว้นเวลาภาวนานะนะอย่าผิดสองอย่างนั้นก่อนแล้วก็ลงมือทํากรรมฐานไปมีความเพียรย่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปแต่ไม่ได้ทําเพื่อเอาความสงบไม่ได้ทําเพื่อเอาความสุขไม่ได้ทํอเอ า, าทเพื่อเอาความดี ทำเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ของจิตท่านเองหลวงพ่อพุธท่านชอบพูดคาว่าเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติฉันชอบใช้คำนี้เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติฉะนั้นเราต้องมีวิหารธรรมสักอย่างหนึ่งเช่นนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งเอาสงบถ้านั่งลมุ่งสงบงน้าจะเพ่ง เลยนั่งแล้วสติไม่มีนั่งหายใจเข้าพูดออกโต้แป๊บเดียวไปคิดเรื่องอื่นละอัะนั้นสุดตรงไปข้างหลงละเนี่ยพยายามฝึกตัวเองทุกวันทุกวันนะเดินจงกรมเดินด้วยความมีสติไม่ล่องลอยไปไม่บังคับตัวเองนั่งสมาธินั่งด้วยความมีสติไม่ปล่อยจิตล่องลอยไปก็ไม่บังคับตัวเองนะแล้วก็ต่อไปสตินะเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวละ มีกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันไหมทำไมหลวงพ่อไม่ค่อยพูดว่ามีกุศลเกิดขึ้นแล้วรู้ทันกุศลพวกเราไม่ค่อยเกิดหรอกอากุศลพวกเราเกิดบ่อยกวา่าตัวนี้เห็นไหมวันหนึ่งวันหนึ่งนะอกุศลเนี้ยเกิดทียิบเลยกุศลนานๆเกิดทีเช่นหลงหนึ่งชั่วโมงแนละ้วรู้ตัวว่าหลงเนีย หลงสองชั่วโมงรู้ตัวว่าหลงรู้ตัวนิดเดียวนะ่ะแต่หลงยาวๆงั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี้ยเต็มไปด้วย อ, อกุศล น, นะเราก็เรียนจากสิ่งที่เรามีอกุศลเนี่ยเป็นทรัพยากรของการปฏิบัติของเราอย่าไปเกลียดมันนะงั้นจิตเป็นอกุศลรู้ว่ามีอกุศลอย่างจิตโลภรู้ว่าจิตกาลังโลภนะจิตกโกรธรู้ว่าจิตกำลังโกรธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่จิตเป็นยังไงรูมไปเรื่อยๆ ตรงที่เรารู้ทันนะสติก็เกิดอกุศลก็ดับกุศลก็เจริญแล้วตรงที่เรารู้ทันสภาวะเนะี่ยจิตกโกรธรู้ว่ากโกรธปุ๊บความกโกรธ ด, ดับปุ๊บจิตตั้งมั่นสมาธิเกิดงั้นองค์ธรรมสามตัวนี้มันทํางานด้วยกันมันเกิดด้วยกันในยพยายามฝึกนะทุกวันทุกวันแล้วสุดท้ายเนี่ยจิตจะรวม จิตจะมีสัมมาสมาธิบริบูรณ์เราเป็นสัมมาสมาธิที่แข็งแรงนะถึงระดับอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิมีทั้งมิจฉาทั้งสัมมานะไม่ใช่มีแต่สัมมาสมาธิแต่ว่าการที่เรามีสติมีความเพียรชอบมีสติชอบมีใจตั้งมั่นชอบสุดท้ายความเห็นชอบ ความเห็นถูกคือตัวสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นอย่างมรรคมีองค์แปดมันเริ่มจากความเห็นถูกคือตัวสัมมาทิฏฐิความคิดถูกสัมมาสังคัปปะคิดถูกคือไม่คิดตามใจกิเลสได้คิดด้วยราคะโทสะโมหะใช้ไม่ได้เเรียกมีการมวิตกพยาบาทวิโตกวิหิงสาวิตกนี่คิดด้วยอำนาจของราคะาโทสะโมหะ เนี่ยเราคอยรู้เท่าทันจิตใจของตนเองมันยึดมันถือในความคิดความเห็นอะไรก็คอยรู้มันคิดด้วยอำนาจของกิเลสตัวไหนก็คอยรู้ฝึกไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันลงที่เดียวกันหมดเลยคือตัวสตินี่แหละเป็นตัวสอดส่องทั้งกายทั้งใจเรานะเวลามีความยึดมั่นในความเห็นนะ ความเห็นที่พวกเรามีตอนนี้นะปุถุชนนะมีแต่ความเห็นผิดนะยังไม่เห็นถูกนะยังเห็นผิดอยู่แต่อาศัยการได้ยินได้ฟังก็รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่ลึกๆยังเห็นผิดอยู่ยังเห็นว่าตัวเรามีจริงๆนะทุกคนยังรู้สึกอยู่ถ้าเป็นปุถุชนนี้เริ่มต้นก็ต้องพยายามเห็นให้ถูกนะเห็นอะไรที่เห็นถูกเห็นกาย เห็นใจของตัวเองให้เห็นว่าจริงๆมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอรัตตาตรงนี้ยังไม่ใช่อริยมรรคเป็นการเห็นแบบช่วยมันคิดเอาช่วยมันพิจารณาแทนที่จะคิดอะไรฟุ้งซ่านหรือมีความเห็นอะไรก็กูแน่กูหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคอยรู้เท่าทันมันไปตอนนี้เห็นผิดนี่หว่ามันมีตัวเราอีกแล้วนะมีตัวกูขึ้นมาแล้วนยะมันเห็นผิดนะ หรือว่าคิดนะคิดด้วยราคะคิดด้วยโทสะนะคิดด้วยโมหนะอะไรเงี้ยคอยรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราส่วนใหญ่ก็คือกิเลสนั่นแหละในการที่เราคอยรู้ทันรู้ทันรู้ทันเนะี่ยเครื่องมือในการรู้ทันก็คือตัวสตนะิหรือเวลารักษาศีลคำพูดใจมันอยากพูดอะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดนะก็กิเลสอีกแหลนะเรามีสติรู้ทัน กิเลสมันเกิดแล้วมันอยากด่าเขาแล้วมันโกรธแล้วอยากวิจารณ์การเมืองแล้วเอาความสะใจอะไรเงี้ยกิเลสมันเกิดแล้ว ม, มีสติรู้ทันนอกจากได้ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกความเปลี่ยนชอบนะวาจากขจะชอบด้วยถ้าใจไม่ถูกกิเลสย้อมแนละ้ววาจาเ ก, ก็เรียบร้อยไม่พูดสอสเสียนไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเท็จ พูดประกอบด้วยเมตตาการุณาพูดด้วยเหตุผลนะพูดเพราสมควรจะพูด้นมันจะเกิดขึ้นเองขอเพียงมีสติรักษาจิตไปเถอะนะเห็นไหมสติเป็นเรื่องใหญ่นะสติคอยรู้เท่าทันกิเลสอะไรเกิดกับจิตตัวเองคอยรู้ทันไวนะ้มาหน้าตาเกิดังกูแน่นะอามีกูขึ้นมาอีกแล้วเนยะรู้ทันนะนะเวลามีความคิดเกิดขึ้นคอยรู้ทัน คิดพ่อโลภเนี่ยวัยคิดพ่อโกรธเนี่ยวัยคิดเพราะหลงเนี่ยวัย เ, เ, นะเวลาจะพูดอะไรผลักดันให้พูดก็กิเลสสามตัวนั่นแหละผลักดันให้พูดอีกเนะขารู้ทันอีกนะเวลาจะทำํำนกะิจการต่างๆเนี่ยสัมมาสมาบัตะนะจะฆ่าสัตว์อนะไรเงี้ยสติระลึกรู้ทาไมอยากฆ่ามันนะนะจิตไปอกุศลเห็นแล้วนะความอยากฆ่าไม่มีละ อยากขโมยอยากเป็นชั่วับเขาอยากนอกใจเมียอะไรเงี้ยสติระลึกรู้ลงไปแล้วหายหมดเลยนะี่สติรู้ทันกิเลสของตัวเองดีที่สุดเลยในการปฏิบัตินะการเลี้ยงชีวิตก็จะสะอาดหมดจดขึ้นนะแล้วนั่นแหละคือความเพียรชอบนั่นแหละคือการฝึกสตินั่นแหละคือการฝึกสมาธิงั้นการที่เรามีสติ คอยรู้เท่าทัานกิเลสของตัวเองเรื่อยๆนะไม่คือการฝึกซ้อมมากมีองค์แปดนั่นเองแล้วถึงจุดหนึ่งเนีจิตมันจะรวมลงสัมมาส ม, มาธิทำไมไว้ตัวสุดท้ายเลยทำไมเริ่มจากสัมมาทิทิสัมมาทิทิทฤษฎีนะทิฏฐิคือทฤษฎีมีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องแล้วก็คิดให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องลงมือฝึกจิตให้ถูกต้อง อฝึกจิตถูกต้องแล้วเนี่ยสติก็จะอัตโนมัตินะความเพียรอัตโนมัติสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติพอมันอัตโนมัติแล้วปัญญาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเป็นปัญญาชั้นสูงนะเป็นอริยะเป็นอริยะปัญญาเป็นโลกุตระปัญญาอันนั้นมันจะเกิดตอนที่จิตเนีเข้าสมาธิที่ลึกลงไปอีก เข้าถึงอัปปนาสมาธิไม่ใช่คณิกาสมาธิอย่างที่พวกเราฝึกตอนนี้แต่ไม่ต้องห่วงฝึกรู้เป็นขณาขณาขณาไปนี้แหละถึงจุดหนึ่งนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิด้วยอัตโนมัติเห็นไหมมิถะคัมมาอัตโนมัติเรียนกับหลวงพ่อนะถ้ายังไม่อัตโนมัติยังไม่ถือว่าเก่งนะต้องฝึกจนอัตโนมัติโมโหปุ๊บรู้ปั๊บอะไรอย่างเนี้นะจะโชคละขยับตัวเนี่รู้สึกอะไรอย่างนี้ต้องอัตโนมัติ แล้วมรรคผลเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วสรุปในวันนี้ที่บอกพวกเราก็คือเวลาปฏิบัติเนี่ยหลงสุดตรงไปสองฝั่งนั้นแล้วก็มีสติคุ้มครองรักษาจิตตัวเองไว้แล้วมรรคมีองค์แปดนะมันจะเกิดพัฒนาขึ้นมาตอนที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยยังไม่ใช่อริยมรรคเขาเรียกว่าบุพภพาค า, ามรรคบุพภาคคือเป็นเบื้องต้นเป็นส่วนต้น ที่จะทำให้เกิดอริยมรรคงั้นที่เราฝึกอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ใช่อริยมรรคอริยมรรคเกิดขึ้นขณนะจิตเดียวท่านนั้นเองนะเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวท่านันเองมันพลังของมรรคที่เราสะสมมา8ดตัวนะ่นะรวมตัวเขาด้วยกันเป็นหนึ่งนะตัวที่ทำให้มันรวมเข้าด้วยกันไดนะ้คือตัวสมาธินันะท่านถึงเอาสมาสมาธิไว้หลังสุดเลย เป็นที่รวมของมรรคทั้งเจ็ดตัวทั้งหมดรวมด้วยกันพอทั้งเจ็ดตัวรวมพลังกันด้วยกำลังของสม า, สาธิเนี่ยจะเกิดพลังงานมหาศาลรวมแล้วเป็นแปดใช่ไหมคล้ายๆป่ยเสียรนะรวมกันแล้วก็เกิดพลังงานมหาศาลขึ้นมาที่จะล้างกิเลสส่วนลึกในใจของเราได้ลาพังราคาเกิดโทสาเกิดนะจู่เห็นมันเกิดดับเกิดดับเลย มันยังเดี๋ยวไม่ก็เกิดอีกแต่ถ้ามันล้างกิเลสด้วยอริยมรรคแล้วตัวที่ถูกล้างแล้วจะไม่เกิดอีกเพราะนธรรมะเราลงมือปฏิบัติเนี่ยมีจุดที่สิ้นสุดไม่เหมือนงานทางโลกนะงานทางโลกไม่มีวันสิ้นสุดแต่งานทางธรรมมีจุดที่สิ้นสุดตรงที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนะได้มรรคนิพพานข้นมา เรียกว่าได้เป็นภาษานะที่จริงไม่มีใครได้อะไรหรอกไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรทั้งสิ้นแค่ได้รู้ความจริงได้เข้าถึงได้เข้าไปสัมผัสพระนิพพานไม่ได้เป็นเจ้าของนิพพานด้วยนิพพานไม่มีเจ้าของนิพพานเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรานิพพานเที่ยงนิพพานเต็มไปด้วยความสุข แต่นิพพานก็เป็นอนัตตาฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆไม่จำเป็นว่าต้องบรรลุมากผลในวันนี้พรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าเลยหน้าที่คือฝึกให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่หลงสุดโตไปสองฝั่งแล้วก็มีสติควบมครองดูแลจิตใจตัวเองไปแล้วองค์มรรคทั้งหลายมันจะรวมเข้ามาได้ด้วยตัวของมันเอง นัจะอัตโนมัติถึงจุดที่อัตโนมัตินี่จะรู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรแต่จิตมันทำของมันเองแต่พวกเราอย่างไม่ถึงเราต้องทำก่อนถ้าเราไม่พยายามฝึกจนอัตโนมัตินะจิตมันไม่ทำเองถ้าถึงจุดที่อัตโนมัตินะสติก็เกิดเองสมาธิก็เกิดเองปัญญาก็เกิดเองความเพียรก็เกิดเอง สมมาอะไราทั้งหลายมันก็เกิดเองค่อยๆฝึกวันนี้ยังไม่เห็นผลไม่เป็นไรขอให้ลงมือไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้ได้ทุกวันเวลาทำระวังอย่าสุดตรงไปสองฝั่งแค่นั้นแหละเวลาที่เหลือคอยอ่านใจตัวเองไว้ฝึกได้อย่างนี้ไม่นาน่ารู้พระพุทธเจ้ามีจริงๆ ธรรมะที่ท่านสอนเป็นไปเพื่อความพน้นทุกข์ก็มีจริงๆผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพ้นทุกข์ได้ก็มีจริงๆทําไมเชื่อว่ามีจริงก็เราเห็นด้วยตัวเราเองนะ้อย่างเราพอวนาเนี่ยเบื้องต้นอย่างไม่เท่งสิ้นกิเลสนะแค่กิเลสเบาบางลงเราก็มีความสุขขึ้นทั้งเยอะแล้วเราก็เห็นร่องรอยแล้วโอ้เส้นทางแห่งสติปัฏฐานเส้นทางของพระพุทธเจ้าเนี่ย ถอดถอนความทุกออกจากใจเราได้จริงๆใจมันจะเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระโสตบัณเนี่ยจะเชื่อมั่นแน่นแฟนมีศรัทธาแน่นแฟนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปุถุชนไม่มีนะปุถุชนกลับกรอกอย่างเรานับถือพระพุทธเจ้าเราก็นับถือเป็นวันๆถ้าไม่ขัดผลประโยชน์เราธรรมะเราก็อยากปฏิบัติเป็นวันๆบางวันนี้ขี้เกียจเราก็ไม่อยากทํา เรารู้สึกบางวันก็รู้สึกทำรล้นดีนะน่าจะพ้นทุกิกวันนะึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ปฏิบัติไปนะี่ยจะพ้นทุกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะี่ยลังเลลังเลสงสัยอย่างนั้นนะจนกระทั่งวันที่ได้สดธบรม น, นะที่จะรู้วพระพุทธเจ้ามีจริงจรงิพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นเครื่องออกจากทุกเนะ่ยมีจริงๆ พระสงฆ์คือสาวกผู้เชื่อฟังคำสอนของพระทีเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าแล้วพ้นทุกข์ได้มีจริงๆวินิูชนรู้ด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครบอกจะรู้ด้วยตัวเองถึงจุดนั้นใจมันจะห้าวหานนะใครจะมาบอกว่าพระทีเจ้าโกโหกเลยไม่เชื่อใครจะมาบอกว่าธรรมะเป็นแค่ปรัชญาเดี๋ยวนี้เราชอบพูดนะพุทธปรัชญา พูดออกมาได้เป็นสับที่งี่เง่าที่สุดเลยพุทธปรัชญาแต่ถ้าเข้าใจคําว่าปรัชญาคือคําว่าปัญญานะอย่างเงี้นได้พุทธปัญญาแต่ถ้าคิดว่าเป็นปรัชญาเมตตาฟิสิกอะไรเงี้ยศาสนาพุทธไม่ได้ตื้นขนาด น, นั้นแต่เป็นศาสตร์ไม่ใช่เรื่องคาดคะเนแต่เป็นศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์ ลงมือทำตามศาสตร์อันนี้แล้วพ้นทุกได้จริงๆไม่ต้องเชื่อแต่ต้องพิสูจน์นะพ อ, ะอสมควรแก่เวลานะเทศดูไปไหมวันนี้รู้เรื่องเปล่าใครไม่รู้เรื่องยกมือเสียยกมือมีไหมไม่ต้องอายยกมือเออเดี๋ยวไปรอฟังไปเปิดลีลานใหม่นะเดี๋ยวก็รู้เรื่อง หมายเลขสามค่ะเริ่มต้นปฏิบัติมาได้ไม่นานส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะฟังหลวงพ่อออนไลน์ปฏิบัติในรูปแบบวันละประมาณ20สนาทีสังเกต จ, จิตใจร่างกายในชีวิตประจาวันได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ค่ะตั้งใจจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทราบดีว่ายังมีชั่วโมงบินน้อยมากแต่มีความตั้งมั่นตั้งใจที่จะทาต่อไป หนูขอแนวทางการปฏิบัติต่อค่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วแต่สังเกตอยู่จุดหนึ่งอย่างขนาดนี้จิตไม่อยู่กับตัวเองดูออกใช่ไหมฝึกมานานเท่าไหร่แล้วเนี้ยสามเดือนสามเดือนฝึกได้ขนาดนี้เก่งนะเห็นไมสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะ้วเอาเรื่องนะฝึกเถอะแล้วมันเห็นผลจริง นีครูบาอาจารย์ทางอีสานท่านบอกนะบอกลูกศิษย์ท่านว่าซีดีหลวงพ่อแผ่นเดียวเนี่ยถ้าเข้าใจนะทำที่สุดแห่งทุกได้ท่านพูดขนาดนี้เป็นพ่อเราลงมือทำไปนี่สามเดือ น, นจิตใจตื่นขึ้นมาเยอะแล้วเพียงแต่ว่ามันยังหลงเก่งอยู่มันเออนานนั้นพยายามรู้สึกนะอาศัยร่างกายมาช่วยนะของหนูดูจิตอย่างเดียวไม่พอ เราต้องดูกายนะเห็นร่างกายพยักหน้าดูกายได้ชัดกว่าดูจิต น, นะเพะอย่าติ้งกายอ้าต่อไปหมายเลขสิบสาค่ะเดี๋ยวนี้เห็นความรู้สึกได้มากขึ้นและเวลาฟังหลวงพ่อบางครั้งจิตปรามาสหลวงพ่อจึงดูไปตรงๆว่าจิตปรามาสจิตไม่ชอบเวลาฟังแล้วเกิดกุศลก็รู้ว่าเกิดกุศลจิตชอบ และกราบขอขามาหลวงพ่อและคุณแม่และผู้ช่วยสอนด้วยครับผมควรเพิ่มหรือทำถูกไหมครับตัวที่หนึ่งนะสมาธิยังไม่ถูกจิตขนดเนี้ไม่ได้ตั้งมัน่นจิตขนดเนี้กระจายออกนอกตัวนี้ดูออกไหมจิตตั้งมั่นเนี่ยสำคัญมากนะแต่ไม่ใช่รักษาไว้ เวลาเรารู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นอี่ยตอนนี้จิตไหลไปคิดเนี้ยเรารู้ว่าจิตไหลไปคิดเดี๋ยวมันจะตั้งขึ้นชั่วขณะนะคอยรู้ทันจิตใจตนเองบ่อยๆว่ามันไม่ตั้งมั่นมันไหลออกไปทันทีที่รู้ว่าจิตไหลนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติแต่ตั้งเล็กๆนะแต่ว่าต่อไปจุดเล็กๆเนี่ยมันเกิดบ่อยๆมันจะรู้สึกตั้งมั่นอยู่นานๆเนี่ยตัวแรกเลยจิตไม่ตั้งมั่นตัวที่สองตัวที่ที่มานะแรงตัวนี้ดูออกไหม เออนั่นแหละดูไปนี่เป็นกิเลสหลักของเรานะเราเชื่อมั่นในความคิดความเห็นของเราอะไรเนียรู้ทันมันเข้าไปความคิดความเห็นของปุถุชนเนียเป็นความคิดผิดเป็นความเห็นผิดแน่นอนเราเชื่อฟังพระพุทธเจ้านะไม่ต้องเชื่อหลวงพ่อหรอกเวลาใจมันยึดมั่นในความคิดความเห็นก็ให้รู้ทันไปเวลาใจมันกระจายไม่เข้าฐานก็คอยรู้ทันมันไปมีสติคอยรู้เท่าทานันจิตใจตนเองบ่อย เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมันไม่ยากหรอกเป็นคนตั้งใจจริงตั้งใจจริงก็ดีแล้วละเอาแมดปิดจมูกหน่อยไปไม่ตก อ, อ้าวคนต่อไปหมายเลขสิบแปดค่ะรบกวนยืนให้หลวงพ่อเห็นชัดๆนะคะ ตอนนี้เวลาเริ่มปฏิบัติในรูปแบบจะรู้สึกเพ่งขึ้นมาทันทีในช่วงระหว่างวันจะไม่เพ่งเท่าไหร่พอเพ่งก็รู้ว่าเพ่งก็ไม่หายดูใจที่ไม่ชอบก็ไม่หายดูว่าอยากดีไหมก็เหมือนจะเห็นไม่ชัดรบกวนขอคำแนะนาค่ะอันนี้เมื่อกี้หลวงพ่อเพิ่งสอนไปนเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งเนี่ยไม่หายหรอกแต่ถ้าหลงแล้วรู้ว่าหลงเนี่ยหายหลงทันที เราต้องเห็นต้นต่อของมันนะเราอยากปฏิบัติเห็นไหมตัวอยากปฏิบัติเพราะฉะนั้นตอไปนี้เวลาอยากปฏิบัตินะรู้ทันไห่อยากปฏิบัติความอยากดับเพอความอยากดับแล้วปฏิบัติไหมปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันควรปฏิบัติความอยากปฏิบัติเลยไม่เรียกว่าเป็นตัณหานะเรียกเป็นชันทะแต่ถ้าเราถูกความอยากได้ผลของการปฏิบัติ อยากดีออยากได้ผลตัวนี้จะเป็นตัญหาถ้าอยากทำเหตุที่ดีเนไม่จัดว่าเป็นตัญหาแต่เป็นฉันทะเป็นสิ่งที่ควรทำงั้นอยากนั่งสมาธิอยากเดินจงกรมรู้ว่าอยากนะแล้วควรนั่งไหมควรนั่งขนกวไปเรื่อยๆอย่างภาวนาทุกวันทุกวันนะแรกๆก็ฝืนใจต่อไปมันมีฉันทะที่จะนั่งเองมันจะขยันเองไอฉันทะมันเกิด แ ร, แรกก็ต้องอยากไปก่อนแล้วภาวนาไปเรื่อยแล้วก็เห็นทุกข์เห็นโทษของความอยากอยากปฏิบัติแล้วมันทุกข์นะเห็นไหมตัวเนี้ยเนี่ยทุกข์นี้นนพะเราสร้างขึ้นมาเองเรามีความอยากแล้วใจก็กดดันตัวเองเคร่งเครียดขึ้นมาใจเมื่อทุกข์ของมันเองเราต้องรับวิบากเวลาเราดูใจมันทุกข์เพราะการเพ่งน่ยไม่หายทันทีอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้นะ ที่จริงสอนหนูไปหมดแล้วล่ะหนูไปทำเอาที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าถ้าฟังไม่ทันก็เดี๋ยวก็ไปกลับบ้านไปเปิดนะเขามีให้ดูใช่ไหมเปิดย้อนหลังทำได้ต่อไปหมายเลขสามสิบค่ะปฏิบัติในรูปแบบโดยการดูกายที่หายใจเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหว เห็นใจที่เคลื่อนเป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างที่ผ่านมารู้สึกว่าบางครั้งปฏิบัติได้ดีบางครั้งเหมือนปฏิบัติไม่เป็นภาวนาไม่ได้ไม่แน่ใจว่ามีความก้าวหน้าหรือปฏิบัติอยู่กับร่องกับรอยหรือไม่รบกวนหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าด้วยค่ะปฏิบัติดีนะที่ปฏิบัตินันใช่ได้ เราฝึกไปเรื่อยๆเราก็ค่อยรู้ทันใจของตัวเองที่มันอยากนะแล้วก็ใจมีกิเลสอะไรก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆดูได้ใช่ไหมดูใจตัวเองได้จิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างคนที่นั่งตัวจีตรงเนี้ยคนเนี้ยดูกายชัดกว่าดูจิตของหนูดูจิตชัดกว่าดูกายนะแต่ไม่ว่าจะดูกายหรือดูจิตนะก็ต้องทําในรูปแบบนะไม่งั้นถึงจุดหนึ่งดูไม่ชัดหรอก ในรูปแบบก็เช่นนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโตอะไรเนะี่ยฝึกชาร์จไปเรื่อยๆเหมือนชาร์จแบตแล้วก็ฝึกตอนนี้ใจไม่ตั้งมั่นดูอัไหมใจที่ตั้งมั่นพูดง่ายแต่มียากมันยากส่วนใหญ่ไม่เผลอก็เพ่งแต่ว่าอาศัยความอดทนเผลอแล้ว ร, รู้เพ่งแล้วรู้ต้นต่อของมัน เผลอก็รู้ว่าเผลอเพ่งก็รู้ว่าอ๋อมันอยากปฏิบัติมันอยากดีอะไรเงี้ยมันจะหายค่อยๆฝึกต่อไปสติสมาธิปัญญาอะไรไม่ยจะอัตโนมัติขึ้นมาแรกๆ ก, ก, ก็ล้มลุกลุกลานดีนะภาษาล้มแล้วก็ลุกนะคลุกฝุ่นแล้วก็คลานไปลุกไม่ไหวก็คลานไปคือไม่ยอมจำนนไม่ยอมแพ้กิเลส ไม่ยอมจำนวนงั้นนักปฏิบัติล้มลุกคลุกคลานก็ไม่เป็นไรแต่ล้มแล้วลุกขึ้นมาคลุกฝุ่นแล้วลุกไม่ได้ก็คลานมันไปก้าวหน้าไปวันละนิดวันละหน่อยทุกวันทุกวันนะอดทนต่อไปพมว่ามันไม่ได้ยากหรอกมันยากตอนแรกๆมันใคล้ๆปล่อยจรวดนะ่อยยิงจรวดขึ้นจากฐานนะีมวินาทีแรกเนี่ยอืดมากเลย เลื่อนยึ้ยนแบบพื้นนิดเดียวเองวินาทตีต่อมาก็เคลื่อนขึ้นได้เร็วขึ้นแต่สุดท้ายก็วิ่งเร็วไปเลยการปฏิบัติเนี้ยแรกๆก็อืดมากเลยแหมมันความมันจะดีอะไรสักนิดหนึ่งนะยากแต่ต่อไปนะจะฝึกให้หลงยังทําไม่เป็นเลยเอาหลงซิหลงซิอะอ่ี้ไม่ยอมหลงนะเผลอซิเผลอให้ใจฟุง้งซ่านซิไม่เป็นหรอก ค่อยๆฝึกไปในวันหนึ่งก็ดีไปทำต่อไปที่ทำอยู่ก็ใช้ได้แต่จิตไม่เข้าฐานตอนนี้หมายเลขสามสิบสามค่ะส่งการบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเจริญปัญญาได้แล้วแต่สมาธิอ่อนไปนิดหน่อยตอนนี้รู้สึกว่าจิตมีกำลังเพิ่มขึ้นสติสมาธิดีขึ้นผิดถูกอย่างไรขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอน ให้การภาวนาพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นด้วยค่ะดีขึ้นนะแต่ยังไม่พอสมาธิมันมีกําลังมากขึ้นนะแต่กําลังมันยังไม่พอมันยังไม่เต็มรู้สึกไหมรู้ด้วยตัวเองไหมว่าสมาธิเรายังไม่พอยังไม่เต็มเนะงนินทุกวันทําในรูปแบบนะอยู่กับเครื่องอยู่ก็เราจิตหนีแล้ว ร, รู้หนีแล้ว ร, รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตหนีไปก็รู้ฝึกบ่อยๆแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันก็ค่อยรู้ทันจิตใจของตนเองไป ของหนูว่ดูจิตได้นะแต่จุดอ่อนก็คือมันจะฟุ้งสั้นง่ายเพราะฉะนั้นะเราต้องมีเครื่องอยู่มันจะได้ไม่ฟุ้งนานฝึกให้มันมีเครื่องอยู่อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรอย่างงี้ยเวลาหลงจะไม่ได้ไม่หลงยาวฝึกไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีขึ้นเยอะแล้วละหมายเลขหกสิบเก้าค่ะพวกเราสังเกตอย่างไหมหลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ย มันมักจะมาลงที่ว่าสมาธิไม่พอหรือสมาธิไม่ถูกเพราะถ้าสมาธิไม่พอสมาธิไม่ผูกเนี่ยมันเจริญปัญญาไม่ได้จริงตัวปัญญามันเกิดจากสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดงั้นถ้าสมาธิเราไม่ถูกสมาธิเราไม่พอเนี่ยปัญญายัางไม่เกิดจริงหรอกจะฟุ้งซ่านคิดคิดเอาไม่ใช่รู้เอา งั้สมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นมากเลยสําหรับนักปฏิบัติแล้วความอาภัพความน่ากลัวก็คือคารวะเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิหลวงพ่อตื่นเตือ น, นพวกเราเรื่อยๆว่าอย่าไปเล่นเน็ตเยอะนะเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรเงี้ยอย่าไปคุยเยอะอย่าไปเที่ยวเล่นเยอะเอาเวลามาใส่ใจกับร่างกายจิตใจตัวเองให้เยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยสมาธิมันจะค่อยๆดีขึ้น อย่างเราฝึกแม้นั่งสมาธิมาเดือนหนึ่งนะออกไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์คืนเดียวนะต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แนละ้วที่ฝึกไว้ล้มเหลวไปหมดแนละ้วนันอดทนอย่าเห็นแต่ความสนุกความสบายเฉพาะหน้าแล้วจะทุกข์ระยะยาวอดทนภาพเพียรของเราทุกวันทุกวันนะฉันจิตเรามีพลังนะวันไหนที่หลวงพ่อเจอหน้าพวกเราเราเรียกเราว่าผู้รู้นะล่ะ แสดงว่าสมาธิเราดีแล้วนะไม่ใช่เฮ้ยหลงแล้วจเจอหน้าที่เฮ้ยหลงอีกแล้วนะเจอหน้าเพ่งทําไมอย่างเงีง้ยโอ้ยังไม่ใช่ผู้รู้นะสมาธิเรายัางไม่พอต้องฝึกถามว่าฆราวาสฝึกได้ไหมฝึกได้หลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นฆราวาสทําไมเราจะฝึกไม่ได้พวกเราไม่ได้โง ก, กว่าหลวงพ่อนะแต่พวกเราอาจจะขี้เกียจกว่าหลวงพ่อเท่านั้นแหละถ้าขยันดูอย่างหลวงพ่อนะตื่นมาก็ดูไปแนละ ทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะทำงานที่ต้องคิดมันทำไม่ได้ตอนไหนไม่ได้ทำงานที่ใช้ความคิดนะคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้อยู่เรื่อยๆอาว่ามาส่งกันบ้านเระผมเห็นสังขารมันไหลเหมือนน้ำไหลจิตผู้รู้อยู่ต่างหากถ้าจิตอ่อนกำลังมันจะกระโจนจับตัวสังขาร มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นจนเย็นตัวสติสมาธิมันยันสังขารทั้งถีบทั้งยันสังขารมันแปลกประหลาดมากเหมือนมันสู้กันเป็นอย่างนี้ทั้งวันขอเมตตาพระอาจารย์สั่งสอนด้วยครับมันยังไม่เป็นกลางนี่เรามีตัวรู้เราเห็นสังขารอยู่ส่วนสังขารตัวรู้อยู่ส่วนตัวรู้ต่างคนต่างทำงานแต่กาลังของเราบางทีก็หมด พอหมดกําลังเมื่อไหร่มันจะจมลงไปในอารมณ์ในสิ่งที่ถูกรู้เราพยายามจะไปดึงขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นหรอกเราทําความสงบกับเพ้ามานะจิตมีแรงก็ขึ้นมาได้อีกแล้วนะค่อยฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละจิตจิตตั้งมั่นดีขึ้นเยอะนะแต่ตรงเนี้ตั้งด้วยการเพ่งเอาไว้ลุกขึ้นยืนซิลุกขึ้นยืนใหม่ เพ่งอยู่รู้สึกไหมเนี่ยเหมไม่ไม่หลงแต่มันเพ่งถ้าหลงคือมันจมลงไปในอารมณ์มันะเพ่งว่ามันจะแน่นแน่นสองอันเนี้ยที่ไม่เอาหลงกับเพ่งนะเผลอกับเพ่งนะเพ่งนะเนี่ยนะเพราะว่าอยากดีกลัวจะไม่ดีก็ไปเพ่งง่นะ้นคอยรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะของคุณปัญหาใหญ่คือใจมันยังโลภใจมันยังไม่เป็นกลางตัวนี้ดูออกไหม เวลาเห็นสภาวานะเนี่ยมันไม่เป็นกลางมันไม่ชอบอยากให้หายไปอยากให้สิ้นไปอยากจะสงบอยากจะตั้งมั่นให้รู้ทันมันเข้าไปนี่มันเป็นกิเลส ท, ที่ละเอียดขึ้นมาแล้วละเอียดกว่าไอ้ราคาโทสามโมหะที่คนทั่วๆไปเขามีกันเป็นกิเลสของนักปฏิบัตินะอยากดีนั่นแหละสังเกตเอาตอนนี้ไปรวบจิตเข้ามาแล้วมันจะตึงขึ้นมา เนื้อรู้ทันไปจิตหลงก็รู้จิตเพ่งอยู่ก็รู้จิตรู้สึกตัวอยู่ก็รู้สึกตัวอยู่ไม่รักษาแล้วจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายมันไหลผ่านไปเหมือนน้ําไหลไปใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากดูไปดูไปเพลินตกน้าไปแนละ้วจมลงไปในอะารมณ์นึกขึ้นได้ก็ตะกายขึ้นฝัน่งมาพยายามบังคับตัวเองไม่ให้ลื่นลงไปหญิงสุดโตมาข้างบังคับอีกแล้วเนี่ยคอยรู้ทันไป เดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เพง่งมันจะสลับกันไปเรื่อยเรืยรู้ทันอย่างที่เป็นฝึกไปหมายเลขหนึ่งร้อยสิบเจ็ดค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาหนึ่งปีกว่าใช้ภาวนาพุทธโธสวดมนต์ก่อนนอนอและรู้สภาวะอย่างที่เป็นอขอถามหลวงพ่อว่าภาวนาถูกต้องหรือไม่คะถูกแต่ต้องทําอีกนะ ยังไม่พอทําไปทุกวันทุกวันการปฏิบัตินะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะหลวงปู่เทศนะตกันบอกการปฏิบัตินะเขาทำกันตลอดชีวิตนะถึงจะหมดกิเลสแล้ว ก, ก็ยังภาวนาไม่ใช่เลิกนั่นเรายังมีกิเลสเราก็ไม่เลิกอ่ะเราก็ภาวนาของเราทุกวันทุกวันไปมันก็สะสมต่อไปสติสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้น มรรคผลก็เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่เกิดนะใจมันยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่สายไปสายมาอนะไรดูออกไหมใจที่สายไปสายมานะดูกายด้วยนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ดูกายมาช่วยด้วยดูจิตอย่างเดียวไม่ไหวหรอกต้องดูกายด้วยบางคนต้องดูกายบางคนต้องดูจิต ของหนูถ้าดูจิตรวดไปเลยนะมันจะหลงไปในความคิดเยอะมันจะคิดเรื่องปฏิบัตินั่นแหละงั้นเรารู้สึกร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกเรื่อยๆใจจะมีพลังมากกว่านี้นะค่อยๆฝึกเอาเบอร์หนึ่งร้อยสามสิบสี่ค่ะเมื่อส่งการบ้านครั้งก่อนหลวงพ่อให้ดูกิเลสของตัวเอง พบว่าทุกการกระทามีกิเลสบงการแต่ก็รู้ทันในเวลานั้นๆบ้างไม่ทันบ้างรู้หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปนานแล้วอยากขอคำชี้แนะเพื่อปฏิบัติต่อไปค่ะเห็นกิเลสได้นะก็ดีแล้วล่ะทีแรกก็รู้บ้างหลงบ้างมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ไปฝึกบ่อยๆมันจะไม่หลงหลงสั้นลงสั้นลงไม่หลงนาน ค่อยๆฝึกไปนี่ก็เหมือนกันนะจิตอยู่ข้างนอกจิตไม่เข้าฐานนะลองหายใจให้หลวงพ่อดดสิอย่าเพ่งนะหายใจเฉยๆหายใจเฉยๆอย่าไปยุ่งกับจิตนะรู้สึกไหมตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันนะนี่จิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมันอยู่ตรงนี้นะ ไม่ได้อยู่ว่างๆอยู่ข้างนอกนะ่นอกจิตไหลไปอยู่ว่างๆข้างนอกไม่ใช่ทางงานให้จิตใจอยู่กับตัวเองแต่อยู่โดยที่เราไม่ได้บังคับหลวงพ่อถึงบอกหายใจไปแต่ไม่ต้องบังคับจิตนะเดี๋ยวมันเข้ามาเองนี่พอจิตใจมันอยู่กับตัวเองแล้วลองดูสิร่างกายนี้เป็นตัวเราหรือเปล่าเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรา เห็นไหมโรบโปรดหลงก็ไม่ใช่ตัวเราดูลงไปเรื่อยๆนะจะหาว่าตัวเราไม่มีหรอกนะเดี๋ยวพบว่าตัวเราไม่มีหรอกค่อยๆดูไปนะฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีกว่านี้อีกไปดูอีกตัวหนึ่งนะกูเก่งเห็นไหมตัวนีนะ้ตัวนี้เด่นนะกูเก่งคอยรู้ทันมัน หมายเลขหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนสุดท้ายค่ะการนั่งสมาธิพิจารณาลมหายใจ <_? S 1> เห็นลมหายใจละเอียดยาวในบางช่วงพอสักพักจะมีความว่างเกิดขึ้นโยมปฏิบัติพอมาถึงตรงนี้โยมควรทำการปฏิบัติต่อไปอย่างไรเจ้าคะทำอย่างที่ทำแหละมันไม่ได้ผิดอะไรแต่พอจิตมันเคลื่อนออกจากความว่างนะดูลงเลย ร่างกายที่มันนั่งหายใจอยู่เนะี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราดูลงไปเลยมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นสมบัติของโลกงั้นทำสมาธิอย่างที่เล่ามาแต่กี้แล้วถูกต้องแล้วแต่พอจิตมันถอนออกจากสมาธินะี่ดูลงในกายนี้เลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของสวยของงามไม่ใช่ของดีเป็นของชั่วคราวเป็นของอาศัย ดูซ้ำซํำๆๆลงไปในกายนี้บ่อยๆแล้วจิตนะั้นมันจะเห็นจิตได้ชัดขึ้นเองเลยดูกายให้ชัดนะแล้วจิตมันจะชัดต้องหลวงพ่อก็เคยฝึกนะดูกายะเคยได้ยินอนะไปไหนครูบาอาจารย์ท่านก็พูดเรื่องกายกายอะไรอย่างเงี้ยสำนักไหนก็มีแต่กายหลวงพ่อดูกายบ้างดูกายยันกายมันระเบิดไปนะั้นสลายไปหมดเลื่อนให้จิตค่อยมาดูจิตเห็นจิตมันเกิดดับไป ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีโชระค่อยๆฝึกไปสะสมของเราไปมันไม่ได้ทำกรรมฐานแล้วก็บรรลุมรรคผลในวันเดียวสองวันหรอกทำกันทุ่มเทลงไปให้หนักๆน้อยอดทนเรียนกันทั้งชีวิตนั่นแหละชาตินี้ยังไม่ได้ชาติต่อไปทำอีกฝึกให้มันเคยชินที่จะปฏิบัติ ถ้าเราไม่ฝึกเราจะเคยชินกับการไม่ปฏิบัตินั้นชาติต่อต่อไปจิตไม่เคยชินที่จะไม่ปฏิบัตินะจะย้อนมาปฏิบัติอีกนะี่ยากมากยากกว่าชาตินี้อีกเพราะฉะนั้นพยายามฝึกตัวเองให้มันเคยชินกับการปฏิบัติทุกวันต้องปฏิบัติฝึกให้เป็นนิสัยเลยให้เป็นสันดานเลยแล้วชาตินี้บุญบา ร, รมีพอก็ได้มรได้ผลไป อย่างไม่พอนะชาติหน้ามันจะอยากภาวนามันจะรักการภาวนาจิตใจมันจะกระตุ้นเตือนตัวเองให้ภาวนาขึ้นมาล้วมาผลไม่ก็ใกล้เข้าไปเรื่อยๆถ้าไม่เริ่มจะตั้งแต่ตอนนี้นะยังไงก็ใกลถ้าเริ่มบางคนก็ไม่นานเคยมีบางคนบวชไม่นานนะไม่กี่เดือนหรอกสองสามเดือนอะไรก็เข้าใจก็มี บางคนหลายปีแล้วก็ไม่เข้าใจก็มีแล้วแต่สิ่งที่สะสมมาสะสมมาดีมันก็ได้ผลดีได้ผลง่ายสะสมมาน้อยัก็ภาวนาลําบากภาวนายากสะสมมาน้อยสะสมการปฏิบัติน้อยก็สะสมกิเลสมาเยอะอันนี้ยิ่งปฏิบัติทั้งยากนะทั้งนานนี่ถ้าเรา รู้ทันกิเลสของตัวเองทุกวันทุกวันด้วยปฏิบัติไปมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองนี้กิเลสอ่อนกําลังลงนะส่วชาตินี้เรายัางไม่ได้นะชาติต่อไปนะการปฏิบัติเราจะเป็นสุขาปฏิปทาปฏิบัติสบายเพรากิเลสเราว่าบ า, างแล้วเราเคยปฏิบัติมาเยอะแล้วอินทรีย์เราแก่กล้าลเรากมันรลุเร็วงั้นบางคนนะปฏิบัติสบายแล้วมบรรลุเร็ว เพราะว่ากิเลสก็เบาบ า, บางอินทรีย์ก็แก่กล้าบางคนปฏิบัติสบายมันรู้ช้าอันนี้กิเลสเบาบ า, บางแต่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าบางคนปฏิบัติลําบากมันรู้เร็ว อ, อันนี้กิเลสก็แรงนะอินทรีย์ก็แก่กล้าสติปัญญาเขาดีแต่ว่ากิเลสมันแรงบางคนปฏิบัติลําบากด้วยใช้เวลามากด้วย น, น, นเพราะกิเลสมันแรง เราก็อินสียอ่อนทั้งหมดนี้เป็นกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเลยไม่มีของฟรีงั้นเราไม่อยากลำบากต่อไปข้างหน้าเพราเรียนรู้จิตใจตัวเองไว้ให้ดีสะสมศีลสมาธิปัญญาของเราให้แก่กล้าแล้วการบรรลุมจะเร็วใช่มมันบนรรลุเร็วพราะีล ส, สมาธิปัญญามันสมบูรณ์งัถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่สมบูรณ์ก็บรรลุช้า ถ้ากิเลสแรงก็บรรู้ช้ากิเลสเบาบางก็มรรลุเร็วอาศัยมีสติรู้ทันกิเลสตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละกิเลสก็จะบางนะอินทรีย์ก็จะแก่กล้าขึ้นด้วยไปฝึกเอานะตั้งอกตั้งใจนะโลกเป็นธรรมชาติของโลกอย่างนี้จเจริญแล้วก็เสื่อมมีสุขแล้วก็มีทุกโลกมันเป็นอย่างนี้ อย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องดีตลอดต้องสุขตลอดต้องสงบตลอดอะไรจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาก็คือจิตของเรานี่แหละพยายามฝึกจนจิตใจเรารู้ว่าธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างของกายของใจธรรมดาของโลกล้นแต่ไม่เที่ยงล้นแต่เป็นทุกข์ล้นแต่ไม่อยู่ในอำนาจ บ, าบังคับไม่เป็นไปตามใจอยาก พยายามฝึกให้เห็นอย่างนี้นะโลกมันจะกระทบกระตือนเราได้น้อยลงน้อยลงสุดท้ายเราก็จะพ้นจากโลกต้องพ้นจากโลกเรียกว่าอยู่เหนือโลกเหนือโลกนั้นโลกก็ยังอยู่แต่ใจเราอยู่เหนือโลกใจไม่คลุกไม่จมไปกับโลกไม่ทุกไปกับโลกคำว่าเหนือโลกนะภาษาแคกเรียกว่าโลคุตตะระโลกกับอุตตะระอุตระอุดรน อุดอนว่าเหนืออย่างทิศเหนือเรียกทิศอุดอนเหมือนกันโลกกตระอยู่เหนือโลกโลกก็ยังเป็นทุกข์อย่างของโลกนั่นแหละไม่เที่ยงอย่างของโลกนั่นแหละแต่ถึงโลกไม่เที่ยงโลกเป็นทุกข์โลกบังคับไม่ได้อย่างใจนะใจก็ไม่โง่พอไปคลุกกับโลกเรายังไม่ทุกข์กับโลกหรอกนะฝึกตัวเองให้ดีแล้วชีวิตมันจะได้มีความสงบสุขไม่งั้นเราจะร่ำร้องหาความสงบสุข มันจะไม่มีในโลกอย่างมนุษย์ทั้งหลายนะเรียกร้องสันติภาพนแต่สันติภาพไม่เคยมีในโลกถ้าสันติภาพมีในโลกนะมนุษย์จะไม่เรียกร้องสันติภาพเพราะมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่มีถึงเรียกร้องสันติภาพในโลกเราสร้างไม่ได้แต่สันติภาพในใจเราทำได้เมื่อฝึกถึงจุดหนึ่งนะเราจะมีสันติภาพ ทาทางที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกำลังเคลื่อนไหววุ่นวายปั่นป่วนอยู่มันเป็นไปตามกรรมของสัตว์โลกกลับบ้านอย่าไปเที่ยวนะโควิดอะไรมันก็ยังมีอยู่นะรอบบ้านเรานี่เต็มไปหมดแล้วนะต้องระวังเชิญ